พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราเพราะใจเป็นสิ่งที่ถาวรส่วนร่างกายของพวกเรานี้เป็นส่วนที่ไม่ถาวร มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเรามารักษาใจกันอย่าไปรักษาสิ่งที่เรารักษาไม่ได้เช่นร่างกายของพวกเราและสิ่งที่ร่างกายของพวกเราหาให้กับพวกเราก็คือราบยศสรรเสริญและความสุข ทางตาทางตาหูจมูกลิงกายสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเวลามีก็ดีแต่เวลาไม่มีจะทำให้ใจของเราทุกข์อย่างมากแต่ถ้าเรามาดูแลรักษาใจด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสโรู เป็รทาที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่อยู่กับใจใจเป็นสิ่งที่ถาวรความสุขที่เกิดในใจอยู่ในใจก็จะเป็นความสุขที่ถาวรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตามร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ศะสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมกูกร่างกายไปจะไม่ทําให้ใจทุกข์เลยถ้าใจมีทำดูแลรักษารักษาให้ใจตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลาเพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ ดังที่ได้ทรงตัดไว้ว่านัตสันติปาังสุ ข, ขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีมีสุขเดียวนี้แหละที่เป็นสุขที่ลอดที่ประเสริฐที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหาันตสาวกทั้งหลายได้มาเปได้มาเป็นสมบัติได้ครอบครองไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมตามการตามเวลาเป็นปรมังสุขขังบรลมะสุขอยู่ตลอดเวลาใจของพวกเราตอนนี้เป็นบรลมะทุกขไม่ใช่เป็นบรมลมะสุขเพราะใจของพวกเราไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเอง ได้รับการดูแลด้วยลาบยศสรรเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายที่เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนมีเกิดก็ต้องมีดับไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมจะสร้างความวิตกกังวลให้กับใจของพวกเราตลอดเวลาเพราะ ไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมเมื่อไรจะหมดไปเมื่อไรแล้วก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งห้าป่ามันได้ถึงเวลาที่มันจะเสื่อมเช่นตาหูจมูกลิ่นกายของพวกเหล่านี้มันกำลังเดินไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความสิ้นสุดต่อไปตาหูจมูกลิ่นกายของพวกเราจะไม่สามารถเป็นเครื่องมือ หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพได้ใจของเราจึงมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกเพราะความวิตกกังวลทั้งๆ ท, ท, ที่ความเสื่อมยังไม่เกิดก็เกิดความวิตกกังวลไม่รุงหน้าแล้วกลัวจะเสื่อมและเวลาเสื่อมจริงๆก็ทุกข์อีกทุกก่อนที่มันจะเสื่อม แล้วก็มาทุกกับตอนที่มันเสื่อมไปผู้ที่รับความทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับความทุกข์ส่วนใหญ่ก็คือใจใจที่ไม่มีที่พึ่งของตนเองเลยต้องไปพึ่งร่างกายไปพึ่งลาบยศสรรเสริญไปพึ่งความสุขทางตาหูจมูกมืนกาย พพึ่งไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้จากวิธียับยัง้งไม่รู้จากวิธีที่จะทําให้ไม่ทุกข์กับราบยศสรรเสริญกับตาหูจมูกเล่นกายเพราะไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สั่งสอนนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุ และนำเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราก็จะอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายจากร่างกายนี้ไปร่างกายตายจากใจไปใจที่ยังต้องพึ่งร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ ทุ ก, กับความแก่ความเจ็บความทายทุกกับการสแสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายใจของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานนานกว่าที่เราจะวัดมันได้ว่านานขนาดไหนถ้าอยากจะทราบว่า <c oughs> เราเวียนว่ายตายเกิดมามากงายกี่ครั้งก็ให้เปรียบเทียบดูน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละชาติถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละชาตินี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรก็คิดดูก็ละกันว่าจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกี่ล้านล้านครั้งด้วยกันถึงจะสามารถ ผลิตน้ำตาให้ได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือความทุกข์ของพวกเราที่เป็นมาและจะเป็นต่อไปถ้าพวกเราไม่น้อมเอาพระธะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าเราน้อมเอามาปฏิบัติเราก็จะสามารถกํำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากายได้กำจัดภพชาติต่างๆที่เราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปให้หมดไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้กำจัดมาแล้ววิธีที่ท่านใช้ในการกำจัดก็เป็นวิธีที่ท่านนาเอามาสั่งสอนพวกเราเป็นวิธีเดียวกัน แก้ปัญหาชนิดเดียวกันแก้ได้เพราะถ้าไม่ได้จะไม่มีพระอาหลันตัสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากพระอาหาันตัสาวกท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราในขณะนี้ที่ยังมีความทุกข์กับราบยศรเสริญยังมีความทุกข์กับตาหูจมูกเิ่นกาย ย, ยังมีความทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ แต่พอท่านได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเป็นคำสอนที่จะสามารถปลดเรื่องความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ท่านก็น้อมเอามาปฏิบัติพอเอามาปฏิบัติแล้วไม่นานท่านก็กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกุกหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุก ในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายท่านไม่ต้องพึ่งราบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเพราะท่านมีที่พึ่งที่ดีที่ถาวรที่พึ่งที่ดีที่ถาวรก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง แล้วหลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็ช่วยพระพุทธเจ้าทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนอันวิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธศาสนาอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามีผู้มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาไปปฏิบัติ จนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วก็เอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปการเผยแผ่สั่งสอนนี้ต้องเผยแผ่ด้วยพระอาหารหันตสาวกผู้ที่ได้พิสูจน์ธรรมของพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติแล้ว รู้แล้วว่าทำอย่างไรทำให้ความทุกข์ดับไปรู้แล้วว่าทำอย่างไรทำให้ความสุขอยู่กู้กับใจไปตลอดถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ศึกษาจะไม่สามารถรู้วิธีการดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำจะไม่สามารถรักษาความสุขต่างๆ ที่เกิดจากความสงบนี้ให้อยู่กับใจไปตลอดการศึกษาจากผู้รู้จริงกับผู้ไม่รู้จริงจึงมีความแตกต่างกันศึกษาจากผู้ไม่รู้จริงก็เหมือนกับศึกษากับคนตาบอดคาช้างนี่เองคนตาบอดคาช้างนี่เขาไปคำส่วนไหนของช้างเขาก็ว่าช้างเป็นอย่างนั้น คนที่ไปรูปคำงวงก็จะว่าช้างนี้เป็นเหมือนงูงถ้าไปรูปคำเงาก็จะว่าเป็นเหมือนหอกถ้าไปรูปคำท้องช้างก็จะว่าเป็นเหมือนฝากำแพงถ้าไปรูปคำหางก็จะว่าเป็นเหมือนเชือก ซึ่งเป็นความจริงแต่ไม่ใช่เป็นความจริงครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะไม่สามารถที่จะเห็นตัวช้างได้อย่างชัดเจนเหมือนกับคนตาดีพระอรันตาสาวกนี้เป็นเหมือนคนตาดีดูช้างท่านจะบอกว่ามันเป็นทั้งหมดนี่แหละเป็นทั้งเชือกเป็นทั้งงูเป็นทั้งขอบเป็นทั้งฝาผนัง แต่พวกที่ตาบอดคาส่วนใดก็จะคิดว่าเป็นส่วนนั้นเพียงส่วนเดียว mm. ก็จะมาทะเลาะกันปากเปรี่ยกปากฉีดฉันใดในวงการของอผู้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้านี้มักจะมีการโตวาทีกันอยู่เรื่อยๆคนหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นคนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่า ที่ว่านี้ถูกหรือผิดอย่างไรเพราะไม่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัตินั่นเองดังนั้นเวลาที่ผู้มีศรัทธาสแสวงหาธรรมจึงมักมุ่งไปสู่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมากกว่ามุ่งไปไปสู่ผู้ที่ศึกษาธรรมเพียงอย่างเดียวนะการศึกษาธรรมนี้เป็นเหมือนกับตาบอดคําช้าง แต่การปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนคนตาดีดูช้างเจนเห็นครบทุกส่วนทุกสัดจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะต้องปฏิบัติอะไรบ้างไม่ใช่เลือกปฏิบัติกันอย่างทุกวันนี้การปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน วิธีการปฏิบัติที่จะบำบัดกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้สองลักษณะด้วยกันขึ้นอยู่กับบุคคลที่ทรงแสดงทรงสอนถ้าสอนให้กับนักบวชพระองค์ก็จะสอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าสอนคารวาดญาติโยมผู้ครองเลือน ผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพระองค์ก็ต้องสอนให้ทําทานก่อนให้กําจัดทรัพสมบัติเข้าของเงินทองให้หมดไปเพราะถ้ายังต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆก็จะต้องไปหาเงินทองมาอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาใช้ไปแล้วเงินทองก็พร่องไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินมาเพิ่ม ถ้าต้องหาเงินทองถ้าต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้คือศีลและภาวนาศีลก็คือศีล8ศีลของนักบวชศีล1ิศีล227สําำหรับคาลว่าท่านเขาเรียกว่าสอนว่าภาวนาซึ่งก็เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือสมาธิ ที่เรียกว่าสมถภาวนานี้ก็คือการทำใจให้ตั้งมั่นให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาทางปัญญาส่วนนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาดีนี้เองดังนั้นหลายเราสอนคารวาดญาติโยมก็ต้องสอนเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คือสอนให้ทำทาน ใสละเงินทองไปให้หมดเพื่อที่จะได้ไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดใจไม่ให้ไปบปําเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั่นเองอย่างนักบวชนี่เขาสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดแล้วเวลาไปบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงมอบอสมบัติไว้ให้เพียง8ดชิ้นเท่านั้ น, น, นที่เรียกว่าอัตถบริขาร สมบัตินี้พอแล้วสำหรับการเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่ให้มีสมบัติเลี้ยงดูกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองถ้าเอาสมบัติเก้าของเงินทองมาเลี้ยงดูกิเลสตัณหามาทําตามกิเลสตัณหากิเลสตัณหาแทนที่จะหมดไปก็กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะไม่มีวันหมดไปปราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจเนี่ยคือความแตกต่างของมรรคที่มีองค์8นี้แตกต่างตรงที่ทานกับไม่มีทานขึ้นอยู่กับผู้ฟังว่าเป็นอยู่ในสถานภาพอันใดถ้ายังเป็นผู้ครองเลือนผู้ที่ยัง ใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆแล้วองค์ก็จะสอนให้เอาทรัพย์นี้ไปบริจาคเอาไปทำบุญทำทานเพื่อจะได้ตัดทางเดินของกิเลสตัณหาที่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมืออย่างเวลาที่เราไปเที่ยวกันเราก็ต้องใช้เงินทองไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทาน แต่ถ้าเราไม่มีเงินทองหรือมีไว้เฉพาะเลี้ยงดูร่างกายของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสุขจากการรักษาศีลและจากการบําเพ็ญภาวนานี่คือสิ่งที่ แตกต่างกันระหว่างาพระภิกษุนักบวชกับคารวะผู้ครองเรือนการปฏิบัติต่างกันตรงทานนี้เองนักบวช น, นี้ทำทานแล้วสละแล้วตอนเป็นคารวะก็มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพอจาบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดยกให้ผู้อื่นไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ ดำเนินเป็นตัวอย่างมาเป็นบุคคลแรกพระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติไม่ใช้สมบัติหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาและกับการใช้เงินทองซื้อความสุขก็จะมีเวลาที่ไปปลีกวิเวก เพื่อที่จะได้บำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะการบำเพ็ญจิตตภาวนาให้จิตสงบนี้ต้องอาศัยความวิเวกทางกายก่อนวิเวกทางกายก็หมายถึงความวิเวกความสงบสงดัดทางที่อยู่อาศัยของร่างกายนี้เองถ้าอยู่ในวงังอยู่ในบ้านนี้ความวิเวกจะไม่มี เื่อความวิเวกไม่มีทางกายความวิเวกทางใจนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ความวิเวกทางใจนี้ต้องอาศัยความวิเวกทางกายถ้าอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑถึงแม้ว่าเราจะถือศีลแปดแต่มันก็จะมาคอยรบกวนใจเวลาคนอื่นทำอาหารกลิ่นโชยเข้ามาในจมูก เราถือศีลแปดไม่รับประทานอาหารเย็นไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอกิ่นอาหารโชยเข้ามาสัมผัสกับจมูกก็ทําให้ใจหวันไหวได้ใจที่จะสงบก็จะพุ่งขึ้นมาเพราะกิเลสตัณหาอยากจะกินอยากจะรับประทานอาหารเช่นเดียวกับรูปกับเสียงที่คนที่อยู่ในบ้านเขา เสพกันดูภาพยนตร์ฟังเพลงร้องรำทำเพลงหรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภรรที่วิจิตรพิสดารแต่งหน้าทาปากใช้น้ํามันใช้น้ําหอมนี่เป็นบรรยากาศที่สำหรับผู้เสพกามไม่ใช่เป็นบรรยากาศผู้ที่แสวงหาความสงบทางใจถ้าต้องการความสงบทางใจนี้จะต้อง อยู่ห่างจากบรรยากาศเหล่านี้ต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาหรือถ้าสามารถที่จะกําหนดบริเวณที่อยู่ของเราแล้วปิดมันอย่างมิชิดได้เช่นสมัยนี้มีเครื่องปรับอากาศเราสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมด ไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดทพาผ้าแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในห้องนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปลีกวิเวกได้ในระในระดับหนึ่งถ้ายัางไม่สามารถที่จะไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาได้ก็สร้างที่วิเวกขึ้นมาในบ้านทำห้องที่ กำจัดเสียงไม่รับรู้เสียงไม่รับรู้ลูกกลิ่นรสต่างๆแล้วก็บำเพ็ญการบำเพ็ญในบ้านนี้ถ้าไม่สามารถเดินจงกรมได้ก็ใช้วิธีง่ายๆก่อนก็ได้เช่นบังคับให้จิตนี้นั่งอยู่เฉยๆสัก8ดชั่วโมงหรือหกชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไม่ต้องรับประทานอาหารอีกต่อไปก็หาเก้าอี้สบายสบายสักตัวหนึ่งไม่ต้องการทรมานร่างกายในเบื้องต้นต้องการทรมานใจทรมานความอยากปกติใจนี้มันจะดิ้นหารูปเสียงกลิ่นรส ด, ดิ้นหาสิ่งนั้นดิ้นหาสิ่งนี้เราจะกำหนดกรอบของการปฏิบัติคือไม่ให้มันดิ้นไปหารูปเสียงกลิ่นรส ต่างๆเลยให้มันนั่งอยู่เฉยๆแล้วถ้าต้องให้น้ํากับร่างกายก็เตรียมน้ําเอาไว้ใกล้ๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลุกไปหยิบน้ํามาดื่มอยู่เรื่อยๆจะต้องลุกไปก็เพียงแต่เฉพาะเวลาเข้าห้องน้ําเท่านั้นเวลาอื่นก็ให้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี้ ต่อสู้กับตันหาความอยากที่อยากจะลุกอยากจะไปทํานุ่นทนํานี่ใช้พุโทโธเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเกิดความอยากจะเกิดความตึงเครียดภายในใจถ้าพยายามใช้พุโทโธแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เร็วความอยากจะสงบตัวลงไปชั่วคราวแล้วความตึงเครียดก็จะหายไป อันนี้เป็นการเจริญสติในเบื้องต้นใช้สติต่อสู้กับทัณหาความอยากก่อนเมื่อมีสติแล้วก็สามารถนั่งกำหนดพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกจิตก็จะเข้าสู่ความสงบพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะรู้สึกไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องนั่งอยู่เฉยแต่เวลาที่ออกมาจากความสงบ ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมเดี๋ยวความอยากก็จะโผล่ออกมาได้ถ้าอยากจะใช้การจำกำจัดความอยากให้มันหมดไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าความอยากนี้ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เวลาใจสงบไม่มีความอยากใจนั่งอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนแต่พอใจออกจากความสงบมาปล่อยให้ใจคิดไปในทางตันหาความอยากความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นก็มีสองวิธีที่จะแก้แก้ด้วยสติกบพุโทโธไปดูลมหายใจไปถ้าจะแก้แบบถาวรก็ใช้ปัญญา ให้รู้ว่าต้นเหตุของความวุ่นวายใจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดจากความอยากนี่เองอยากจะไปทำอะไรอยากจะลุกอยากจะไปทำนู่นทำนี่ทำแล้วมันหายอยากหรือเปล่าทำแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะกลับมาตรงนี้ใจมันจะดิ้นไปเรื่อยเรื่อยมันจะไม่ชอบอยู่กับที่งั้นถ้าเราใช้ปัญญา แล้วพิจารณาให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาอาจจะมีความสงบความสุขอยู่ชั่วคราวตอนที่ได้ทำตามความอยากแต่พอไม่นานความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาก็าจะต้องทำตามความอยากไปเรื่อยๆทำเท่าไหร่ก็จะไม่มี วันที่จะได้พบกับความสงบที่แท้จริงที่ถาวรได้แต่ถ้าเห็นว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นการได้ความสุขชั่วคราวเพราะความสุขที่ได้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะหายไปพอหายไปก็เกิดความอยากได้ความสุขขึ้นมาใหม่ เราเกิดความอยากก็ต้องทำตามความอยากถ้าไม่ทำตามความอยากก็จะทุกข์เนีแต่ถ้าใช้สติใช้ปัญญาสอนใจว่ายอมทุกข์ดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าอย่าไปทำตามความอยากดีกว่าถ้าฝืนได้เดี๋ยวความอยากมันหมดกำลังไปเองพอหมดแล้วต่อไปมันจะไม่กลับมาเพราะมันรู้ว่าเรา ทำลายมันได้เราชนะมันแล้วเหมือนกับคู่ต่อสู้ที่เราต่อสู้ถ้าเราชนะเขาครั้งหนึ่งแล้วเราจะชนะเข้าไปเรื่อยๆเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันที่จะชนะเราได้เขาก็จะยอมแพ้หายไปเองเราก็จะนั่งอยู่เฉยๆได้อย่างสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์กที่เกิดจากความอยากนี่คือ ปุบายของการปฏิบัติทมในบ้านถ้าไม่สามารถไปวัดได้ไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ก็ทำบ้านให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมทำบ้านให้เป็นที่วิเวกกา้นห้องไว้ปิดเสียงปิดอะไรต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนใจแล้วก็จารันสติไปเรื่อยๆ จะเลินปัญญาสลับกันไปก็ได้นะข้อสําคัญก็คือไม่ทําตามความอยากจะบังคับให้อยู่ตรงนี้ตรงที่นั่งนี้จะอนุญาตให้ยืนขึ้นได้ถ้ารู้สึกเมื่อยนั่งนานๆมั น, นเมื่อยมันเจ็บก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอเลียบทได้การนั่งในระดับนี้ช่วงนี้ไม่ต้องการทรมานร่างกายต้องการสร้างสติสร้างปัญญา ไปต่อสู้กับความอยากขั้นเบื้องต้นพอเรามีสติมีปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะสามารถเอาไปใช้กับความอยากขั้นที่สูงขึ้นไปได้เช่นเวลานั่งแล้วเกิดการเจ็บปวดขึ้นมา <_' S 1> ก็จะไม่ขยับไม่ลุกจะใช้สติใช้ปัญญ า, าดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ความอยากที่อยากจะให้ความเจ็บของร่างกายหายไปจะไม่ให้มีความอยากนี้เพราะว่าถ้ามีแล้วจะทนนั่งไม่ได้จะทรมานใจถ้าไม่มีความอยากนี้ความเจ็บของทางร่างกายนี้จะไม่รุนแรงความรุนแรงนี้อยู่ที่ความเจ็บของใจที่เกิดจากตันหาความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไป ถ้าเราสามารถใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ผลิตความอยากให้ยอมรับความเจ็บของร่างกายให้อยู่กับความเจ็บของร่างกายไปความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่มีแล้วต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรอย่างไรก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาโลกนี้ท่านไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเลยไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเลยเพราะท่านสามารถสอนใจไม่ให้เกิดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะท่านเห็นโทษของความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจ นี่แหละคือขั้นตอนของการปฏิบัติจิตตะภาวนาถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเจริญสติให้มากมากก่อนเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้แล้วเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากต่างๆ ใหเห็นโทษของสิ่งที่ใจอยากได้ว่าเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้บางทีก็ได้แต่เวลาไม่ได้นี้มันจะทรมานใจมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงของเหตุการณ์ต่างๆของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏให้ใจรับรู้ถ้ารับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่เกิดตันหาความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความทุกข์ใจจะไม่มีนี่คือวิธีที่จะใช้ในการปฏิบัติกับสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญเป็นรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเป็น ขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายที่จะต้องแก่ต้องตายไปเวทนาทุกขเวทนาก็คือความทุกขของร่างกายที่เกิดเวลาจะบไข้ได้ป่วยจะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกขให้กับใจได้เพราะใจมีธรรมคุ้มครองรักษาใจจะกําจัด ตันหาความอยากต่างๆไม่ให้โผล่ขึ้นมาได้เลยความทุกข์ก็จะอยู่ที่ร่างกายจะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้ความทุกข์ที่อยู่ที่ร่างกายนี้ไม่รุนแรงความทุกข์ที่รุนแรงนี้ค ว, ความทุกข์ที่ใจบางทีร่างกายยังไม่ทันทุกข์เลยใจทุกข์ไปก่อนแล้วเช่นคิดถึงความตายขึ้นมานี้ยังไม่ทันตาย ใจก็ทุกไปก่อนแล้วหรือเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าจะต้องฉีดยายังไม่ทันฉีดเลยใจก็ทุกไปก่อนแล้วเพราะไม่มีทำป้องกันไม่ให้ความทุกเข้ามาสู่ใจนั่นเองถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาความทุกต่างๆที่อยู่ภายนอกใจนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้เลย ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญความเสื่อมของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความเสื่อมของร่างกายของตนเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีจะไม่สามารถที่จะเข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้เพราะใจมีธรรมเป็นกราะคุ้มครอง ผู้ใดมีธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับมีเกราะคุ้มกันอย่างตำรวจเจ้าหนะ้าที่ที่เวลาออกปฏิบัติภารกิจมักจะใส่เสื้อเกราะกันเพราะเสื้อเกราะนี้สามารถป้องกันไม่ให้กระสุนนี้ทะลุเข้าไปสู่ร่างกายได้ถูกยิงก็จะไม่ตายจะไม่เจ็บอันใดทรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกัน ก็เป็นเกราะคุ้มคันใจคุ้มครองใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆนั้นทะลุเข้ามาสู่ใจได้ผู้ที่มีธรรมจึงไม่ทุกข์กับอะไรมีความสุขตลอดเวลามีความสงบตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาใจ ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้ามีธรรมของพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้ราบยศศรเสรินความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยต่อให้มีมากน้อยเพียงไรจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้าสู่ใจได้เลยอย่างเจ้าใจสิท ธ, ธะ ตอนที่ทรงสเสด็จออกไปนอกพระราชวังไปชมสถานที่ภายนอกว่ามีอะไรบ้างก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพอทราบว่าพระองค์เองต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความทุกข์นี้มันก็ทะลุเข้าไปในใจของเจ้าชายสิทธัตถะเลยทําให้เจ้าชายสิทธัตถานี้ไม่มีความสุขเลย ทั้งๆ ท, ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากมายกายกองแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถปกป้องคุ้มกันไม่ให้ความทุกข์ที่ทรงไปประสบพบเห็นคือความแก่ความเจ็บความตายนี้ให้เข้ามาสู่ใจได้เลยนั่นแหละจึงเป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ล า, าบยศสารเสวนสุขที่พระองค์ทรงมีอยู่นี้เป็นไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายนี้จะไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เลยพระองค์จึงต้องสละราชสมบัติการสละราชสมบัติก็เรียกว่าทานทำทาน มีทรัพสมบัติเท่าไหร่ทรงรู้แล้วว่าไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจสละไปหมดมีไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะสร้างความทุกข์ให้กับใจมากขึ้นเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาแล้วเวลาต้องพัดพากจากกันก็ต้องทุกข์อยู่ดีก็เลยทรงตัดสินพระทัยสละบวดความสุขทางลาบยศระะเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความสุขจากการอยู่กับพระมเหสีความสุขกับการอยู่พระราชโอรสยอมสละทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไปหาที่พึ่งทางใจไปหาเกราะคุ้มครองใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญอยู่ถึง6ปีด้วยกันได้ศึกษากับพระอาจารย์สองลูป แต่พระอาจารย์สองรูปนี้ก็ไม่สามารถที่จะสอนให้ดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญความเสื่อมของตาหูจมูกลิ้นกายได้เพียงแต่สอนให้ให้อยู่สงบได้ชั่วคราวคือให้เข้าไปในสมาธิเวลาเข้าไปในสมาธิก็ไม่ต้องมารับรู้เรื่องความเสื่อมต่างๆ ใจก็สงบมีความสุขการอยู่ในสมาธินี้ก็ไม่สามารถอยู่ได้นานตลอดเวลาต้องออกมาเพราะว่าร่างกายนี้ต้องการการดูแลต้องการอาหารต้องการเข้าห้องน้าต้องการอะไรต่างๆก็ต้องออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ ที่ถูกสมาธิกดไว้ก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่พ้นทุกข์พ้นแต่เฉพาะช่วงที่อยู่สมาธิพ้นเพียงชั่วคราวนี่คือความสามารถของมนุษย์ในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสนรู้เาสามารถดับความทุกข์เพียงชั่วคราวด้วยการทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ แต่ไม่สามารถให้อยู่ในความสงบได้อย่างถาวรพอออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆมารับรู้เรื่องของความเสื่อมของสิ่งต่างๆใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้ายัางจึงไม่พอพระทัยยัยงรู้ว่ายังมีความทุกข์อยู่ก็ทรงพยายามปฏิบัติตามลำพังไปอยู่กับพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่ใช้การทรมานร่างกาย ดวยวิธีต่างๆนี้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจแต่ทรมานร่างกายไปขนาดไหนก็ตามความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่เพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือตัณหาความอยากที่อยากให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้ไม่เสื่อมอยากให้สิ่งต่างๆนี้อยู่ ไปเรื่อยๆให้ดีไปเรื่อยๆพอเสื่อมหรือพอไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองค์ก็ทรงลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็เห็นสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากนี่เองเจ้าได้พบกับพระอริยรรสัจสี่ทรงเห็นว่าความทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดจากตัณหาความอยากสาม อด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโพชภะความอยากมีอยากเป็นอยากให้ราบยศสารเสริญสุขนี้มีไปนานๆอยู่ไปนานๆไม่ให้เสื่อมแล้วก็ความอยากไม่ให้ราบยศสารเสริญสุขความอยากไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมนี่คือความอยากที่เป็นต้นหาต้นเหตุของความทุกข์ใจ ที่พระเจ้าได้สรงคนพบและได้ทรงกําจัดด้วยปัญญาที่เห็นว่าการทําตามความอยากนี้จะได้ความสุขเพียงชั่วคราวเช่นเวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ไปดื่มก็จะมีความสุขแล้วไม่นานความอยากจะดื่มกาแฟใหม่ก็โผล่ขึ้นมาถ้าไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์เหมือนเดิม แต่ถ้าหยุดดื่มกาแฟได้เวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ฝืนไม่ดื่มมันต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็จะหยุดไปหายไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ต้องฝืนความอยากต้องลากความอยากส่วนความอยากที่อยากจะทำบุญทำทานอยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะไปพระนิพพานนี้ไม่ใช่เป็นตันหาความอยากแต่เป็นมัก เป็นทางเดินสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์เป็นธรรมหรือจะเรียกว่าเป็นเอธิบาทสีก็ได้ยินดีในการทําบุญทําทานฉันทะวิริยะมีความเพียรในการทําบุญทําทานในการรักษาศีลในการภาวนาจิตตะใจมีการจดจอ่ออยู่กับการ ทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาวิบงังสาใจคุณใจคิดคำนวณอยู่กับเรื่องของการทำทานรักษาศีลภาวนานี่นี่คืออิทิบาทสี่ไม่ใช่ตัณหาความอยากยันญาตโยมสบายใจได้เพราะเดี๋ยวจะถูกกิเลสหลอกเอาว่ายันเวลาอยากจะไปนิพพานก็เป็นตัณหาไม่ใช่ตัณหาเป็นมรรคเป็นทางสู่การดับทุกข์ เป็นอิทธิบาตสี่เป็นเครื่องมือที่จะพาให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายยังต้องเข้าใจความหมายของตัณหามีอยู่เพียงสามกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้ราบยศสารนสนุขมีอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็วิภาวะตัณหา ความอยากไม่ให้ราบยศสารเสริญสุขเสริมไปหมดไปนั่นเองนี่คือตัณหาความอยากที่เราต้องกำจัดเพราะไม่มีมันก็เราก็ไม่เดือดร้อนดีซะอีกเพราะจะทำให้เราไม่ทุกข์กับความเสื่อมของราบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพนี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาใจที่เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของชีวิตของพวกเรา พวกเรามีสองส่วนมีใจกับมีร่างกายร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็จะต้องเสื่อมหมดไปเวลาที่มันเสื่อมหมดไปก็เป็นเวลาที่จะทำให้ใจทุกทรมานแต่ถ้าเราดูแลรักษาใจด้วยทำให้ใจสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเสื่อม จะไม่ทำใจให้ทุกข์เลยนี่แหละคือเรื่องของใจที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราต้องดูแรลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเป็นคาลวดญาติโยมถ้าเป็นพระภิกษุก็ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันต่างกันตรงที่มีทานหรือไม่มีทานเท่านั้นเอง จึงขอให้พวกเราให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาจิตใจด้วยการพยายามปฏิบัติ ต, ต, ตามคสรรสําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติและเราก็จะได้รับผลอันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้รับก็คือนิบบานัง cimento, ปรมังสุขขังนี่เอง การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตชินางเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิ ป, ปะเมวะสมิตยโต สัพเพปุริยนตุสังกปาจันโทปนะรโสยธามณีจุติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทานสีฤทธะนิจังวุฒาปายโนยัตตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง This is the question and answer <Cool. S 1> session. If you have any question you would like to ask. You're welcome. g o d o i n Singapore. Hmm. Turn on really, the m i c oh, Okay. Yeah, yeah, yeah. It's a l r e a h y Really, very, very happy to be here. <laughs> um, just one question um, concerning the use of the elements, the different elements um, during the ordination time. Um, For the first time on the last day of my uh, ordination, I tried, came across how to use the water and the uh, air element and mm -hmm. the earth element. Mm -hmm. But I thought, if you can give me instructions on the use of the elements to go into s o m e d h i that would be very good. Well, it's just like a meditation subject, like uh, anapanasati. Actually, when you're watching your breathing, you're watching the air element. You just watch. You just use it as a object of your concentration. If you want to use water element, just think of water, a body of water like the ocean or the pond, mm -hmm. and concentrate your mind just watching that water. the the The goal is to rid up your mind of thinking about this and that. If you have something to attach to, your mind attached to, then it cannot go think about this and that. It's one of the f o r t meditation subject. Yeah. But generally we don't use this. But you know, for for any individual who find it useful, they are they can use it. Mm -hmm. Generally we use anapanasati or the mantra buto buto. You can also use the four element as the basis of vipassana of wisdom, because your body is actually composed of the four element. But due to our delusion, we look at the body as me, my, and myself, which is wrong. It's not the right perception. The right perception of the body is just a composition. Of the four elements, come in uh, from the various uh, sources. Like when you eat food, you have the air, I mean, you have the earth element. Rice has to come from the field and come from the earth. When you eat rice, you are actually taking in the earth element. When you drink water, you are taking in the water element. When you breathing, you are taking in the air element. And when you take the heat from the sun or from the food that you eat, this is the the fire element. These are the four element s that make up your body, our body. And one day, t h e s e four element s will stop uh, cooperating. They want to go their separate ways. Then that's when the body stop functioning. When a person die. The air element doesn't come in anymore. The water element will go out, not come in. If you leave the body, the corpse alone, eventually the fluid in the side of the body will seep out, and the air element also already gone or left in the, in in terms of the smell that you that we smell of the body. That's the air element. And leaving just the the earth element. After you leave the body to rot for a while, then all that is left is just the the earth part that makes up the body, like the bones, the skin, and the various uh, dry organs of the body. So if we investigate the body in this manner, we can let go of our attachment to the body. As being ourselves, as being permanent, as something that will give us happiness, because the truth is, it is not permanent. It is not our body. It is belong to the four elements, and it will give us uh, sadness or unhappiness when they have to disintegrate. So this is basically the contemplation of the body, to see the anatta nature of the body. Anatta means no self in the body. Contemplate on the anicca aspect of the body. The body will get sick, get old, and die. And when, if you are attached to the body, you will become sad, unhappy. But if you understand that. The body isn't you. Doesn't belong to you. Have nothing to do with you whatsoever. Then you just leave it alone. Then whatever happens to the body will not make you sad or unhappy. See, this is body contemplation for insight. To so see the body as it actually is, not what we think it is. We think it is us, but we cannot find any part of the body. That re represent us. You can go through the 32 parts, go through the hair, and ask yourself: Is this hair myself? What happened when you cut the hair? Did you yourself disappear with the hair? Uh, what about the nail that you cut? Yeah. And everything inside the body—they are just uh, parts of the body, made from the four elements, and t h e n sooner or later they will. Uh, disintegrate. So if we know this all the time, then attachment could not arise. Desire for the body to last forever will not arise, and the fear of death will not arise. Then there is no suffering from the aging, sickness, and death of the body. That's the goal of uh, vipassana contemplation. But before we can do this in a meaningful, meaningful way, we need to have samadhi first. Because if the mind is still restless, it w i l l not want to study the nature of the body. It wants to study about how to make money, how to be big, how where to go and have fun. You know, that's the mind that has no samadhi. It is hunger for the. Uh, for money, for status, uh, for happiness, from seeing, hearing, eating, or drinking. So it will not be able to concentrate on contemplating. So to teach the mind to see clearly the truth of the body. So you need first to make the mind calm, have samadhi. Because when the mind is calm, the mind is uh, full, content. Not hunger, not hungry for uh, other things you know, like sight, sound, smell, taste, and all tactile objects. Then you can use this satisfied mind to look at the truth of the body, because you have to look at it very long time until you become automatic, until it becomes automatic. Every time you look at the body, you don't see a person, you don't see m r Sebastian, you don't see. Uh, Miss Anna, yeah, you just see the 32 parts, yeah, or you see the four elements that eventually will disintegrate. This is what we have to do if we want to be able to see the true nature of the body and let go of our attachment. When we have let go of our attachment, we would have no desire for it to last long. We can accept the body for what it is. i f is gonna go. We we're, we're happy for it to go. Like the Buddha said, "Pala hawe panchakanta." Uh, the five kanda is a heavy burden uh, that we have to look after, take care of it. So when there is no p a n c a k a n t a no body, no wetana, then there's nothing to take care of. So for the, an enlightened person, they are happy to lose the body. But for an enlightened person, they want to the body to last forever. And when they want that, they become sad because they cannot get their wish fulfilled. So this is the the contemplation of the body using the four elements. But before you can do this, you have to first enter into jhana, to samadhi. Let the mind rest for a long time, and then when it comes out of samadhi, it is it doesn't hunger for other things. Then you can tell it to study the nature of the body, and when you keep studying it, eventually you will remember it. It will become second nature to you. By now we look at the o u r s e c o nature, looking at the body. We look at it as someone, as me, as you, as a person. But after body contemplation, we'll have a change perception. We will look at the body as the 32 parts o f the four elements, and we will see it always getting sick, getting old, and die. Yeah. So this is the the goal of Uh, using the four elements. Thank you, s Okay. Anything else? May I know how do I know when I'm when I have attained samadhi in order to go into contemplation? Well, samadhi is a state of mind in which the mind stops thinking. See? And the mind uh, is filled with rapture, filled with bliss. I just put this song behind time, and you you will know it when you come to it. When you haven't come to it yet, then you you will not know what it is like. Uh, it is something beyond this world, uh, something that that bet is better than everything else that you will ever experience through your senses. This is a psychic experience. Not a sensual experience, experience of the mind. When you come to it, you will know it. Is it only achievable through meditation? Well, you need to have something to bring it in. See, and what you will bring it in to this state is mindfulness. You have to stop your mind from thinking. You have to stop. When the mind stops thinking, then it will enter into the state of samadhi. So you need mindfulness to stop your thinking. Instead of thinking about this and that, just repeat using a putto, a mantra like h u t t o h u t t o h u t t o If you don't like to use a mantra, you can use the body as your uh, object of concentration. Whatever you do, at every moment of your life. Just concentrate on that particular activity. You're brushing your teeth. You're washing your face. You're bathing. You're getting dressed. Just be with that action alone. Don't send your mind to think about other people or things. Then your mind will, when you sit down and focus on your breathing, it will be with your breathing, and it will not think about this and that. When it doesn't think. It will become calm and peaceful. Usually, when it become calm, it's like dropping into a well. There's this feeling of like you in an elevator, and it comes down very quick. You know, you feel like you are you're reaching the bottom, but when you reach the bottom, it doesn't hurt you. It makes you feel good. Yeah. Okay. Now we have the question from the Facebook page. People who cannot come here will write question in the Facebook page and ask now, and I give the answer. Then tonight they wait for the YouTube that this talk will be recorded and updated into the YouTube channel, and people can listen to the question and answers. คําถ t i o n from the family, from you, find the heart to e i n n ภายในกายเราเหมือนจะมีสองคนคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีจะคิดค้านกันตลอดที่มีเรื่องขึ้นมาให้คิดในใจแต่ก็จะแต่ก็จะไปในทางที่ดีในส่วนใหญ่แต่ก็มีบางเรื่องที่มันไม่ทันกันไปอย่างเดียวเราควรแก้อย่างไงครับก็เราต้องควบคุมความคิดลากความคิดให้คิดไปในทางที่ดี เวลาคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดท่านบอกว่าให้ทำบุญละบาปนการทำบุญก็ต้องคิดก่อนคิดว่าจะทำบุญตรงนี้ทำได้การละบาปก็เช่นเดียวก่อนจ ะ, จ, ะจะละได้ก็ต้องคิดก่อนว่าไอ้นี่บาปนี่ยกำลังจะไปขโมยของเขานี่ยกำลังจะไปลักทรัพย์เนี่ถ้ารู้ว่าบาปก็อย่าไปคิดมันฝืนมันไปถ้าเราฝืนไปเรื่อยๆต่อไปความคิดที่ไม่ดีก็จะ อ่อนกำลังลงแล้วก็หมดไปได้แล้วต่อไปใจของเราก็จะคิดแต่ดีสิ่งที่ดีอันนี้เป็นการฝึกฝนอบรมใจของเราเหมือนกับการเปลี่ยนการใช้มือซ้ายมือขวาถ้าการใช้มือขวาของเรานี้มันทำให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็หยุดใช้มือนเรามาหัดใช้มือซ้ายที่ทำให้เกิดประโยชน์อนี้ต่อไปเราก็จะชำนาญใช้มือซ้ายเราก็ไม่ต้องใช้มือขวาได้ คามคิดก็เหมือนกันถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องหยุดเหมือนใช้พุโทโธหยุดมันก็ได้พอคิดไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าใช้ปัญญาก็บ่ะการคิดไม่ดีนี้จะนําไปสู่การกระทําที่เสียหายแล้วจะเกิดโทษกับตัวเราและกับผู้อื่นพอเห็นพอเห็นโทษที่จะตามมาก็จะไม่กล้าทําได้เช่นคนจะไปทําผิดกฎหมายพอคิดถึงคุกตารางก็เอออย่าทําดีกว่า ข้อที่สองกระผมเป็นผู้คลองเรือนอยู่เรื่องความโลภความโกรธก็พอมีทางแก้ได้แต่ที่แก้ไม่ได้คือความหลงในรูปกลิ่นเสียงสัมผัสจะทำอย่างไรดีครับก็ต้องดูรูปที่มันไม่สวยไม่งามมันก็จะไม่หลงถ้าเห็นแต่รูปที่สวยงามกลิ่นที่หอมมันก็จะติดถ้าไปดูรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวตมกลิ่นที่เหม็นมันก็จะไม่อยากเข้าใกล้ เชนให้ไปดูซากศพนี่ให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปเห็นรูปที่ไม่สวยไม่งามเห็นกลิ่นดมกลิ่นที่น่ า, าไม่ไม่ไม่หอมอนี่มันก็จะทําใหา้ไม่อยากได้ไม่หลงกับมันเราชอบไปดูของที่มันสวยๆงามๆแต่มันเป็นของปลอมใช่ไหมคนเราแต่งกายแต่งหน้าแต่งตัว ใส่เสื้อผ้าใส่น้ําหอมใส่อะไรต่างๆเพื่อปกปิดความสกรปรกของร่างกายนี่ร่างกายนี้ถ้าไม่ได้รับการชาระอาบน้ำอาบท่าสักสองสาวันนี้ดูที่อ่อมีใครจะเข้าใกล้ได้แต่เราปกปิดความสกรปรกความไม่สวยงามของร่างกายด้วยการเสริมสวยด้วยวิธีการต่างๆจึงทำให้เราไม่เห็นความสกรปรกความน่าเกลียดของร่างกาย เราจึงต้องไปเยี่ยมปา่าช้าสมัยก่อนนี้คนตายก็จะเอาไปทิ้งไว้ในปา่าช้าแล้วให้พระนี้ไปใครอยากจะดูก็ไปพิจารณาดูสร้างศพที่ตายในระยะต่างๆตายสาตายวันหนึ่งตายสมวันตายเจวันนี้มันจะมีสภาพที่เปลี่ยนไปคําถามจากคุณทองสุขมีอาการเหมือนตัวไหวๆเวลานั่งสมาธิแต่ตัวนอกปกติ เกิดจากอะไรครับมันก็เป็นเรื่องของจิตนะไม่ต้องไปให้ความสําคัญเวลาเราจะควบคุมจิตนี้มันก็จะมีอาการอะไรแปลกๆปรากฏให้เรารับรู้วิธีที่ปฏิบัติกับมันก็คือไม่ต้องสนใจให้เราภาวนาต่อไปถ้าเราพุโทโธก็ให้พุโทโธอย่าหยุดอย่าไปดูสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นให้อยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยิน ถ้าอยู่กับพุโทโธหรือถ้าใช้ลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่ความสงบเวลาสงบแล้วทุกอย่างจะไม่มีจะว่างภายในจิตนี้จะเหมือนอยู่ในอวกาศจะไม่มีอะไรความว่างนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งคำถามจากคุณปายเวลาเราเสาะหาครูบาอาจารย์เราจะทราบได้อย่างไรครับ ว่าครูบาอาจารย์ที่เราอาศัยบุญบารมีท่านสอนสั่งอยู่นี้ท่านมีธรรมที่ถึงพร้อมที่จะบอกสอนให้เราพ้นบายได้ครับถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะอยู่ได้เองเราก็ต้องไปอาศัยคนที่มีความสามารถเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อเพชรนินจินดาถ้าเราไม่สามารถมองเพชรนินจินดาได้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียมเราก็ต้องไปหา คนที่เขามีความชำนาญคนมีความชำนาญที่เขาได้ศึกษามาเขาจะรู้ว่าเพชรเทียมกับเพชรแท้นี้เป็นอย่างไรฉันใดการเข้าหาครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่สามารถที่จ ะ, ะแยกแยะได้ว่าเป็นอาจารย์ที่แท้หรือไม่อาจารย์ที่แท้เราก็ต้องอาศัยบุคคลที่รู้บุคคลที่ใกล้ชิดกับท่าน คนที่ไปพบกับท่านนานๆอยู่กับท่านานานๆได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆเขาจะรู้ว่าท่านเป็นอย่างไรคำถามจากคุณสุ ข, ขุมคนที่มีดวงตาเห็นธรรมหมายถึงคนประเภทไหนครับคนที่มองเห็นอริยสัจสี่ใครเห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากแล้วการดับความทุกนี้เกิดจากการเห็นว่าความอยากนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้นำความสุขมาให้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ปะีิวปติดาวเวลาได้มาก็ดีใจแล้วสักพักนึงมันก็หายไปเช่นเวลาเราอยากจะดื่มกาแฟพอเราได้ดื่มกาแฟเราก็รู้สึกมีความสุขใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งความสุขใจที่ได้ดื่มกาแฟก็หายไปนี่ก็เกิดความอยากดื่มกาแฟถ้วยใหม่ขึ้นมา ถ้าไม่ได้ดื่มก็จะเครียดจังหุดหิตลาคาญใจนั่นเรียกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความอยากถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์อย่าทําตามความอยากดูอย่างที่สอนในเทศวันนี้ว่าให้นั่งอยู่กับห้องสักแปดชั่วโมงดูไม่ต้องทําตามความอยากแล้วดูว่ามันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์แล้วจะใช้อะไรมาดับมันก็ต้องใช้ธรรมะใช้มรรคใช้สติใช้ปัญญา ใช้สมาธิเท่านั้นถึงจะดับมันได้คำถามจากคุณต่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตทำในที่นี้หมายถึงทำในขั้นไหนครับก็เนี่แหละทำในอริยสัจสี่เพราะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบด้วยพระองค์เอ ง, เองและไม่มีใครค้นพบถ้าเราเห็นอริยสัจสแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าว่าใจของพระพุทธเจ้านี้มี มีธรรมอยู่ในใจมีอริยาาสัจสีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเราจะไม่สงสัยไงว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่ตอนนี้เรายังอาจจะสงสัยเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าตาของพระพุทธเจ้าแต่พอเราปฏิบัติธรรมไปจนรำที่พระเจ้าทรงได้เห็นนี้ปรากฏขึ้นมาในใจเราเราก็เชื่อได้ว่ามีพระพุทธเจ้าก็คือคนที่เห็นธรรมอันนี้แล้วเอาธรรมอันนี้มาสั่งสอนเผยแผ่ให้กับพวกเรา เราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าจะไม่สงสัยในพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าและจะไม่สงสัยในพระอริยสงสาวกเพราะผู้ที่เห็นธรรมนี่แหละก็คือพระอริยสงสาวกตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปคําถามจากคุณสระทนันระหว่างจิตที่คิดกับสมองที่คิดมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับตามทางแนวพุทธนี้เราสมองคิดไม่ได้ มีแต่ตัวจิตเป็นผู้คิดสังขารความคิดปรุงแต่งอยู่ในจิตแต่ใช้สมองนี้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดเช่นคิดแล้วอยากจะได้อะไรก็สั่งไปที่ร่างกายสั่งไปที่สมองสมองก็จะสั่งให้ร่างกายขายับไปทําอะไรต่างๆแต่สมองนี้ไม่มีความคิดคิดไม่ได้ความคิดอยู่ที่จิตคําถามจากคุณสมทิศ เวลาที่เราเผชิญกับความกลัวเช่นกลัวความสูงแต่คิดได้ว่าความกลัวเกิดจากจิตเราคิดเลยใช้คำบริกรรมพุโทโธตลอดแต่ทำไมพอผ่านมาได้ร่างกายเราถึงสั่นคะแต่ใจก็เฉยเฉยเป็นเพราะอะไรคะความจริงร่างกายสั่นก็เพราะใจสั่นนั่นแหละเพราะว่าถ้าหัวไม่กระเดกหางก็ไม่ไม่กระเดกนใจเป็นผู้ที่ทำให้ร่างกายสัน่น แต่เราอาจจะมองไม่เห็นความละเอียดของใจที่มันสัน่นเราก็เลยไปเหมาว่ า, าร่างกายสัน่นแต่ใจไม่สัน่นร่างกายนี้จะสั่นไม่สัน่นจะลุกจะยืนจะเดินจะนอนจะทำอะไรนี้ใจต้องเป็นคนสัง่งมันถึงจะทำได้คำถามจากคุณปิยะพุดโทมานานพุทโทรเร็วๆช่วงแรกมันก็นึกพูดโทได้พอนานๆเข้านึกไม่ค่อยออก แต่ใจไม่สงบไม่มีจุดแห่งผู้รู้ปรากฏพอปล่อยไม่พุโธรเร็วๆสักพักก็พุโธใหม่มันก็ไปถึงจุดที่เป็นนั้นอีกจะแก้ยังไงดีครับก็พุโธต่อไปพุโธไปเรื่อยๆจนกว่า ม, มันจะถึงจุดที่เข้าสู่ความสงบถ้ายังไม่ถึงก็เหมือนกับกินข้าวยังไม่อิ่มื่อยังไม่อิ่มมันก็ต้องกินต่อไปกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเอง พูดโทรไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยมันก็สงบเองแต่อยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เทานั้นเองปัญหาคือมักจะไม่พูดโทรอย่างเดียวพูดโทรคำก็ขนมคำพูดโทรคำก็กาแฟถ้วยถ้า อ, อย่างนี้มันไม่มีวันที่จะสงบได้คำถามจากคุณณัทรัตอยากสอบถามเรื่องการกําหนดจิตไม่ให้คิดปรุงแต่งมีวิธีกาหนดแบบไหนถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้คะ ก็อย่างที่บอกอใช้พุทโธก็ได้หรือใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายก็ได้อถ้าเราเฝ้าดูร่างกายเช่นกําลังแปลงฟันอยู่เราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราตั้งใจดูการแปลงฟันเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีสติอ่อนถึงแม้จะดูมันก็ยังหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องใช้พุทโธช่วยถ้าเราใช้พุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ถ้ามันจะคิดก็อย่าไปสนใจมันแล้วก็พุโทโธเราไปเรื่อยๆตอนตอนน้นอาจจะแข่งกันแย่งกันออพุโทโธคำคิดถึงคนนั้นความกลับไปกลับมาอย่างนี้เราก็พยายามพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปพุโทโธจะมีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความคิดมันก็จะอ่อนกําลังลงไปจนในที่สุดมันก็จะสงบได้คําถามจากคุณรัชยาเพื่อนดีชั้นเดินโจงกลม แล้วรู้สึกร้อนทั้งๆที่อยู่ในห้องแอร์และเกิดขึ้นบ่อยค่ะไม่ทราบว่าเกิดเพราะอะไรและสภาวะรมเช่นนี้เป็นการปฏิบัติถูกหรือผิดคะเวลาทำอะไรที่กิเลสมันไม่ชอบมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเครียดขึ้นมาได้ความเครียดนี้ก็จะทำให้ร่างกายร้อนขึ้นมาได้ดังนั้นก็ต้องอย่าไปสนใจมันจะร้อนเข้าไปมันร้อนไปเราก็เดินจงกรมของเราไปเรื่อยๆ เราเอนยังมีเวลาเยอะๆนะให้หมดเลยก็ได้เลยที่ขอ้อคำถามจากคุณประพิมน้องชายไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่งงานมาแล้วสองครั้งมีลูกชายกับภรรยาคนแรกและถูกลดชนพิการเขาดูแลลูกพิการเพียงลำพังคนเดียวภรรยาเก่าไปดูดวงบอกว่า ให้พ่อกับแม่ไปถือศีลโยมเลยให้น้องชายไปปฏิบัติธรรมในป่ากับแม่ของโยมช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้และขอให้ภรรยาเก่ากับแม่ยายดูแลลูกพิการแทนโยมให้น้องชายฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันจนเขาซึมซับและบอกว่าออกพรรษานี้จะบวชคำถามข้อที่หนึ่งถ้าเขาบวชจริงจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมคะ เพราะต้องกลับมาดูลูกพิการและยังมีภรรยาใหม่อีกแต่โยมเคยบอกเขาให้ดูพระพุทธเจ้าค่ะคือเราทําอะไรเราก็ต้องทําเพื่อตัวเราไม่ใช่เหรือการกราทาอะไรเพื่อตัวเรานี้เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเวลาเรากินข้าวนี่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าเวลาอาบน้ํานี่เห็นแก่ตัวหรือเปล่ามันก็ต้องเห็นแก่ตัวเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราละเลยหนะ้าที่ที่เราต้องทําหรือเปล่า ถ้าเรามีหน้าที่ยังต้องทําอยู่เราก็ยังต้องทําหน้าที่นั้นไปก่อนจนกว่าเราจะหาผู้แทนมาทําแทนเราได้แต่การกระทาอะไรต่างๆนี้เป็นเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นมาฟังเทศน์นี่ก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมน้นจะมาทําไมถ้ามาเพื่อผู้อื่นมาทําไมมาก็เพื่อตัวเราดังนั้นการทําอะไรที่เห็นแก่ตัวนี้ไม่เสียหายถ้าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปละเลยหน้าที่ที่เราจะต้องทํา เล่นต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ปล่อยปากลัเลยไปบวชอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ถูกถ้าพ่อแม่เขาต้องพึ่งเราแต่ถ้าเราสามารถหาคนอื่นมาดูแลพ่อแม่แทนได้เราก็ไปได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มีบริสัทธ์บริวารที่จะดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลพ่อแม่ไม่ไม่เดือดร้อนท่านก็ไปได้ข้อที่สอง เขาอยากมาบวชที่วัดพระอาจารย์ไม่ทราบว่าพอมีทางไหมคะที่จะบวชอยู่ที่นี่คือที่วัดยานี่เขาก็มีการบวชพระอยูออ่อย่างต่อเนื่องคือหลังจากออกพรรษาไปแล้วช่วงตั้งแต่ปีใหม่ไปนี้ก็จะมีคนมาสมาัครบวชทางวัดก็จะกําหนดวันบวชให้เดือนละครั้งคือจะบวชเป็นหมู่บวชรวมกันใครต้องการจะบวชก็ไปสมัครบวชได้ที่วัด ส่วนจะขึ้นมาอยู่กับราบนขานี้ในเบื้องต้นก็คงอย่างแตขึ้นมาไม่ได้ต้องฝึกเรียนพระธรรมวินียหนอะไรก่อนต้องฝึกดูดูแล้วก็จะแสดงฝีมือฝีไม้ลายมือให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นมากน้อยเพียงไรมีความเอาจริงเอาจงังมากน้อยเพียงไรถ้าทำแบบหล่อหลแหละและพอขอไปทีนี้ก็คงจะไม่ขึ้นมา คำถามจากคุณกนกพรดิฉันได้ฟังช่วงถามตอบปัญหาพระอาจารย์ได้ถามดิฉันว่าอ่านหนังสืออะไรจึงเอาคำถามมาถามพระอาจารย์ตอบดิฉันอ่านหนังสือของลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤศีลิงดำซึ่งหลังจากที่ท่านจเจริญภาวนาแล้วท่านก็จะนำสิ่งที่ท่านพิจารณาได้มาเขียนหนังสือและถกปัญหาธรรมะกับกลุ่มหลวงพ่อฤศี กลุ่มของท่านได้สนทนาธรรมร่วมกันมาร่วม20ปีแล้วอิฉันเคยร่วมฟังครั้งหนึ่งและได้นำธรรมะที่เขียนกลับมาศึกษาจำนวนหลายเล่มถ้าธรรมะใดที่ความเห็นตรงกับท่านอิฉันก็ไม่ได้ถามพระอาจารย์ถ้าธรรมะใดอ่านแล้วยังสงสัยหรือไม่เข้าใจก็จะถามพระอาจารย์คำถามวันนี้ข้อที่หนึ่ง พิจารณาอย่างไรเราจึงจะเห็นว่าเวทนาของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเพียงศัจธรรมของการมีร่างกายและทําอย่างไรจึงจะพิจารณาจนจิตไม่ทุกข์ไปกับเวทนาของร่างกายคําว่าธรรมดาก็คือมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วมันก็ดับลงไปของมันเองเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งแม้มันเกิดหรือสั่งแม้มันเกิดนี่ไม่ได้ มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปคำว่าธรรมดาก็คือเป็นความจริงแต่วิธีใจนี้ก็คือใจให้รู้ความจริงว่าไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนให้เขาไม่เจ็บไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความสงบรับรู้ความความเจ็บของร่างกายไปถ้ารับรู้เฉยเฉยไม่มีไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไป ใจก็จะไม่ทุกข์หน้าที่ของใจนี้มีเพียงแต่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มาที่ใจไปสัมผัสรับรู้อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ที่สองถ้าเราอยากไปสวรรค์เราก็พิจารณาสุขจากการทำความดีอยู่เนืองๆตายไปเราจะได้ไปสวรรค์ไหมคะคือจะไปสวรรค์หนึ่งต้องรักษาศีลห้าให้ได้ พรถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ก็ต้องไปอบายถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ต้องทําบุญด้วยถ้าไม่ได้ทําบุญรักษาศีลอย่างเดียวก็จะไม่ได้ไปสวรรค์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าได้ทําบุญด้วยก็จะไปเกิดในสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ข้อที่สาม ถ้าเราพิจารณาสุขจากบุญกุศลอยู่เนืองๆโดยไม่พิจารณาทุกเลยเราจะเห็นทุก์ไหมคะเราจะเป็นผู้หลงไหมคะคือของพวกนี้มันไม่ต้องพิจารณาหรอกมันจะปรากฏให้เราเห็นเองเวลามันสุขเวลามันทุกนี่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเองไม่ต้องไปพิจารณาเพราะเราไปพิจารณาให้มันสุขไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะความสุขหรือความทุกนี้มันไม่ได้เกิดจากการพิจารณาของเรา แต่เกิดจากเหตุคือการกระทำของเราถ้าเราทำบาปมันก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราทำบุญมันก็จะสบายใจขึ้นมาคำถามจากผู้ฝากถามสามีไปมีภรรยาใหม่ดิฉันทุกข์มากทำอะไรก็ไม่มีความสุขดิฉันต้องทำอย่างไรคะก็ต้องหย่า ก, กันปล่อยเขาไปก็อยากจะไปก็ปล่อยเขาไปในลลกนี้ไม่มีผู้ชายคนเดียว มีต้องเยอะแยะพร้อมที่จะมารับบริการดูแลเราต่อไปกลับ ม, มาส ก, การครับอาจารย์พืออยากจะถามต่อจากที่เมื่อสักครู่อาจารย์เพราะอาจารย์ได้กล่าวถึงพิจารณาขันห้านะคะพิจรารณาร่างกายแต่ถ้าเกิดเมื่อเราพิจรารณาร่างกายเราแล้วแล้วเราพิจารณาคนอื่นท้ายสิ้นแล้วทุกคนก็คือเหมือนกันเพราะว่าประกอบไปด้วยท่าทั้งสีเหมือนกัน แต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะพระอาจารย์เวลาที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราเห็นว่าถึงแม้ว่าธาตุเหมือนกันแต่พฤติกรรมมันต่างกันการกระทำมันต่างกันแล้วนั่นก็นํามาซึ่งความทุกข์ความไม่พอใจของเราเราก็ต้องแยกแยะเสียว่าคนแต่ละคนนี่มีสองส่วนส่วนร่างกายกับส่วนพฤติกรรมส่วนร่างกายนี้เราก็รู้ว่าเป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ต้องไปทุกข์กับเขา ส่วนพฤติกรรมของเขาก็เป็นสิ่งที่เราไปกําหนดควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกั น, น, นเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขาถ้าเราไปอยากให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเรายอมรับพฤติกรรมของเขาได้เราก็จะไม่ทุกข์อันนี้นี่ก็คือจะต้องพยายามเหมือนกับว่ามีสติสติ<ข>และปัญญาค<ข><ข>ืปัญญาเห็นว่ามันเป็นเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเอง พฤติกรรมต่างๆไม่ดีนี่เขาเปลี่ยนได้แต่เราไปสั่งให้เขาเปลี่ยนถ้าเขาเชื่อเราก็าเปลี่ยนได้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราเขาก็าไม่เปลี่ยนอ๋อพญานาคราจารย์ uh, หมดแล้วเหรอปัโอเค and um, I v e read before Mungta mentioned you have Samadhi leading to Panya and then Panya leading to Samadhi uh, and I took that as meaning uh, you can Either do contemplation after y o u c a l m the mind down, or you use contemplation to calm the mind down, and then you go into samadhi. Uh, could Nampo uh, please uh, help elaborate? It's uh, a special case. For some people, they can use wisdom. They see things as they are. They see anicca tu kanganata, so they can see this to use it to calm the mind. Like when you uh, when you sit down, you try to meditate, then you worry about your job. Yeah. If you have wisdom, you will see that your job is anicca, dukkha, anatta. That sooner or later you gonna lose that job, and you can there's nothing you can do about it. It's anatta. If you worry, if you want that job to last, then you will have uh, dukkha. So if you don't want have dukkha, you just have to accept that uh, whatever is gonna happen, let it happen. Whatever will be, will be. Mm -hmm. When you see that, then your mind become calm, and then you can then use puto or use your breathing. See, using this doesn't bring you to full samadhi yet. You still need to focus on one ob object to bring it into full. Concentration. Except if you are dealing with some strong uh, dukkha, like when you sit and your your body feels painful, and then you use wisdom to investigate the the pain of the body and see that it is anicca, tu kanga nata. That there's nothing you can do about it except accept it. Once you see that and accept it. Then your dukkha will disappear, and your mind will go into samadhi. Okay. a think that, ไ o ้ answer the problem, mm complete. -hmm. Then think that, when time is right, I ask you all to t ่ k e what you have heard and heard today a ร d finish the d i s c u s s i o p r เพื่อความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ